ขอโอกาสพระอาจารย์ทรงสินขอโอกาสเพื่อจะทำพิทุกท่านจเจริญในธรรมไม่ชี้แล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกคนนั่งตามสบายนะใครจะยกมือก็ได้ใครจะนั่งฟังก็ได้นะว่าจะให้เรารู้ว่าเราจะทำอะไรเป็นงานหลักนะให้แนวแน่ในสิ่งที่เราก็ทนะัง เพราะจริงการปฏิบัติธรรมก็คือการแค่รู้ว่ากำลังทำอะไรในปัจจุบันขณะ น, นี้นั่งอยู่ก็รู้ว่ากำลังนั่งฟังอยู่ก็รู้กำลังฟังนะเคลื่อนไหวมือยกมือหรือเดินจงกรมก็รู้รู้ตรงที่ปัจจุบันนะไม่ใช่รู้ที่อดีตไม่ใช่รู้ที่อนาคตนะแต่รู้ที่ปัจจุบันแค่นี้แหละจะเป็นคำตอบสนหรับทุกอย่าง ถ้าจะตอบแบบกำปั้นทุบดิน ก, ก็บอกว่าแค่นี้ก็ใชนะแ่แต่ใช่ก็อาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะาจริงมันไม่ใช่แค่รู้แค่การเคลื่อนไหวนะของกายที่ทำท่าทางแตกต่างกันไปหรอกแต่มันรู้ตรงนี้เป็นเบื้องต้นต่อไปมันจะรู้ว่าธรรมชาติของกายมันมีอะไรนะอยู่ในนั้น ธรรมชาติของใจมันมีอะไรอยู่ในนั้นนะมันเห็นที่ตรงนี้ก่อนนะมันต้องกลับมาดูกลับมาดูตัวเองก่อนนะตัวเองคือกายกับใจนี่แหละแล้วมันก็จะเห็นส่วนที่เป็นเมื้องลึกในกายในใจมันคืออะไรแต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันไม่สามารถรู้ได้จากการคิดไม่สามารถรู้ได้จากการฟังหรือการอ่านแต่มันต้องรู้ได้จากการที่กลับมาดูจริง ไม่ใช่ดูคนอื่นนะแต่เป็นการดูตัวเองนะจะตั้งเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วตัวเองที่แท้จริงมันก็ไม่มีนะที่เราสมมติเรียกว่าตัวเรานะเป็นบุคคลเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอันนี้เป็นสมมติที่เรียกนะก็ถูกแบบสมมติแต่ความจริงที่เป็นปรมัตแล้วมีแต่รูปมีแต่นามที่ประกอบกันรูปก็ประกอบด้วยธาตุสีนะ หรือว่านามก็ประกอบด้วยขันนะอีกสี่ขนะันหรือที่เราสวดมนตนะ์ขันทั้งหนะ้าความที่เรียกว่าเป็นตัวเรามันก็ประกอบด้วยธาตุสี่ขันหะ้า 4, กันทั้งนั้นเราจะตึกตาจนตั้งม่เห็นความจริงตอนนี้นอ๋อที่จริงมันไม่มีตัวไม่มีไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขามีแต่ธาตุที่ประกอบกันมีแต่ธรรมชาติของรูปธรรมชาติของนามเอา้า เมื่อมันมีแค่ธรรมชาติของรูปมีธรรมชาติของนามแล้วทำไมต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นด้วยนะความทุกข์เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราไม่รู้เนี่ยแหละไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งทุอย่างเป็นเพียงแค่ธรรมชาตินะเราไม่รู้ความจริงตรวนี้เราก็เลยไปยึดว่าที่จริงรูปนี้ก็เป็นของเรานะใจนี้นามนี้ก็เป็นของเราเมื่อเรา d o ไปยึดว่ากายหรือว่าใจนี้เป็นของเรา เพราะนั้นเราก็เลยเกิดว่าอยากให้กายนี้อยากให้ใจนี้มันดีมันสุขนะหรือว่ามันสบายแต่ธรรมชาติที่แท้จริงแล้วมันไม่สามารถดีหรือว่าสุขหรือว่าสบายอย่างเดียวได้นะสังเกตไหมอย่างพวกเราเกิดมาถึงตอนนี้มีใครไม่ป่วยไม่ไม่เจ็บมีไหมแทบจะไม่มีนะนะต้องเคยเข้าหาหมอเคยรักษาเคยกินยา เคยร้องไห้เพราะความปวดของกายเนี่ยเป็นธรรมชาตินะตอนนี้อาจจะยังสบายดีอยู่แต่วันข้างหน้าก็ไม่แน่นะถึงตอนที่แก่ถึงตอนที่เจ็บถึงตอนที่ตายก็เป็นธรรมดาของทุกคนที่ต้องเจอกับกายที่ไม่สบายกับกายที่ผิดปกติไปแต่จริงมันไม่ใช่ความผิดปกติหรอกมันเป็นความปกติอย่างยิ่งนะที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงที่มันจะต้องทุกนะที่มันจะต้องตายไปนะ เป็นธรรมดาดังนั้นเมื่อเราวางจิตไว้ผิดว่าเราอยากให้กายนี้มันดีอย่างเดียวมันก็เมื่อจิตมันวางไว้ผิดแบบนี้เมื่อกายมันผิดปกติกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดเป็นความทุกข์แต่ถ้าเราวางใจยอมรับความจริงอ้ออะไรจะเกิดขึ้นกับกายนี้นะจะสบายเป็นปกติหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บจะแก่จะเจ็บจะตายเห็นว่าเป็นเพียงแค่ธรรมดาที่เกิดขึ้นกับกายนี้ จิตยอมรับความจริงนะเมื่อจิตยอมรับความจริงจิตก็ไม่ทุกข์หลักสำคัญของการภาวนามากนะกคือต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับกายนี้นะความจริงที่เกิดขึ้นกับกายนี้เป็นแบบไหนยอมรับมันหลายคนไม่เคยเดินจงกรมไม่เคยยกมือสร้างจังหวะไม่เคยต้องนั่งพับเพียบหรือว่านั่งขัดสมาธิ น, นานๆปวดเมื่อยอแต่ถ้าเรา เรียกว่าโกรธหรือว่าอยากจะผักใสความปวดความเมื่อยปักใสความจริงที่มันเกิดขึ้นตองนี้จิตเนี่ยแหละมันทุกข์แต่ถ้าจิตยอมรับว่าอ๋เอเห็นกายมันปวดเห็นกายมันเจ็บเห็นกายมันง่วงนยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาไม่ผักใสไม่ปฏิเสธไม่มีชอบหรือไม่ชอบก็แค่รู้มันจะเฉยแค่นี้นอ่ะพอละเมื่อจิตยอมรับความจริงมันจะเห็นว่าอ้อ จิตมันส่วนหนึ่งนะกายที่ทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งกายที่เจ็บ ก, ก็ส่วนหนึ่งกายที่แก่ก็ส่วนหนึ่งกายที่จะตายก็ส่วนหนึ่งแต่จิตมันก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตธรรมที่พิมเพศแค่เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นไม่ได้เข้าไปเป็นกับอาการของกายเท่านั้นเนี่ยเราก็ดูแบบนี้นอ๋อตอนนี้ก็เริ่มรู้เริ่มดูจากการเนี่ยเห็นกายมันเคลื่อนไหวจะยกมือท่าไหนจะเดินอย่างไรจะนั่งอย่างไรจะยืนอย่างไรไม่แตกต่างกันนะ มันดูที่ตรงไหนไม่ใช่ดูที่รูปแบบภายนอกแต่ให้ดูที่อาการของรูปนะอาการของรูปคืออะไรคือการเคลื่อนไหวคือการหยุดนิ่งนะใ ห, ให้ดูตรงที่อาการนะไม่ใช่ไปดูที่กิริยาท่าทางที่แตกต่างแต่ดูให้ตรงเป็นเรียกว่าเป็นอาการที่เป็นปรมาที่แท้จริงคือการเคลื่อนไหวคือการหยุดนิ่งนะหรือบางคนก็อาจจะถนัดดู เวทนาที่เกิดขึ้นกับกายก็ได้นะดูตอนนี้มันนั่งสบายปกติดีนั่งไปนานๆานก็ปวดก็เมื่อยก็เจ็บนะก็ดูมันไปนะถ้าดูได้ก็ดูถ้าเราฝึกดูตรง น, นี้ได้ถึงตอนหนึ่งมันปวดหัวปวดท้องถึงตอนที่มันเจ็บมากๆออมันก็สามารถเป็นผู้ดูได้นะดูเห็นมันนะเห็นกายมันทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์อันนี้คือสิ่งที่เราฝึกนะฝึกจากการที่เราดูตอนนี้แหละ ดูกายมันเคลื่อนใจเป็นเพียงแค่ผู้ดูนะเป็นเพียงแค่ผู้รู้ไม่ได้ส่งใจไปอยู่กับมือไม่ได้ส่งใจอยู่กับเท้าไม่ได้ส่งใจไปเคลื่อนพร้อมกับมือพร้อมกับเท้าแต่ใจเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้รู้เห็นมือมันเคลื่อนนะแต่ใจเป็นปกติอยู่นะอันนี้คือหลักที่สําคัญถ้าเราจับตรงนี้ได้นะอ๋อเห็นมันเห็นมันทํางานแต่ใจเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้ดูผู้เห็นเท่านั้น แต่ถ้าเราทําผิดส่งใจไปอยู่ที่มือนะมันเคลื่อนจิตก็เคลื่อนไปตามมือไม่ใช่นะการตามรู้ไม่ใช่ตามรู้แบบนั้นแต่คือมันเคลื่อนมันเปลี่ยนแบบไหนก็แล้วแต่แต่จิตมันรู้อยู่ทุกขณะแต่ไม่ส่งไปเกาะไวเนาะนะนะไม่ใช่ไปเกาะไปจับไว้กับที่ใดที่หนึ่งนะถ้าจับไว้กับที่ใดที่หนึ่งทําได้ผลอย่างมากก็เป็นเพียงแค่สมาธิหรือถ้าทาไม่ถูกสมาธิก็เพียงแค่การเพ่งการจ้อง นะการตามแบบกาหนดเฉยๆแต่ถ้าจิตรู้แบบสบายๆเป็นปกติอยูนะ่จิตก็รู้แบบเป็นธรรมชาติสติก็เกิดขึ้นสมาธิก็เป็นสมาสมาธินะเมื่อเราทำแบบนี้แล้วปัญญาก็ต้องย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนะี่ยให้เราดูกกลจะใดก็แล้วแต่ทำในรูปแบบก็ทำนะโอกาสนี้เป็นโอกาสพิพเศษที่พวกเราได้ปฏิบัติในรูปแบบมากขึ้นก็ทำนะถือว่า ได้มาลองดูนะลองดูหลายคนยังยังไม่เคยมาฝึกแบบนี้นะอาจจะรู้สึกว่าอาจจะหนักบ้างหรือว่าไม่เข้าใจบ้างก็ลองเรียนรู้ไปดูก่อนนะเรียนรู้แบบคนที่ไม่รู้เนี่ยแหละเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่รู้มันก็เหมือนกับแก้วที่มันว่างนะลองเติมลองรับลองศึกษาความรู้ที่พระอาจารย์ท่านให้ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติที่เราได้คิดได้สัมผัสดูเนะี่ยมา มันก็จะได้จะเติมจะเต็มเข้าไปแต่ถ้าเราปฏิเสธไม่อยากทำไม่อยากรู้ไม่อยากปฏิบัติแบบเนี้ยคล้ายๆกับเราปิดแก้วไว้นะฝนจะตกลงมามันก็รองรับน้ำไม่ได้เนาะลองเปิดใจเรียนรู้ดูไม่ใช่เรียนรู้ที่ไหนหรอกเรียนรู้ที่ตัวเองนี่แหละนะคำสอนของอัตมาคำสอนของใครก็ได้แต่ก็เป็นเพียงแค่ชี้ทางบอกทางเท่านั้นแต่การที่จะชี้จะบอก ตัวเราต้องกลับมาศึกษาตัวของเราเองนี่แหละนะศึกษาลงที่กายเรื่องต้นก็ให้ดูกายนี่แหละไปก่อนดูกายเคลื่อนไหวดูกายหยุดนิ่งดูบ่อยๆดูบ่อยๆแต่ดูไปเรื่อยๆมันไม่เห็นแค่กายหรอกนะมันเห็นบางทีก็รู้สึกที่กายแต่บางทีก็มีความคิดความหลงแทรกเข้ามาก็ให้รู้ฐานว่าคิดว่าหลงแต่คิดหรือหลงแล้วก็พอแค่นั้นไม่ต้องไปวิจาร ไม่ต้องไปวิาพากษ์ไม่ต้องไปคิดต่อว่าทําไมมันถึงคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําไมมันถึงหลงเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําไมมันถึงปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้พอนะพอแค่ว่ารู้ว่ามันคิดก็พอละก็กลับมารู้กับการเคลื่อนไหวใหม่กลับมารู้กับปัจจุบันธรรมที่กำลังทําอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยทําหน้าที่แค่ตรง น, นี้นะเบื้องต้นให้รู้กายเคลื่อนไหวโดยใจเป็นปกติให้ใจเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ได้ส่งใจไปอยู่กับมือกับเทา้าไม่ได้ส่งใจไปอยู่ที่ใด แต่ให้ใจดูอยู่เฉยๆนะอันนี้อย่างที่หนึ่งแต่พอบางทีมันดูกายไปแล้วมีความคิดแทรกเข้ามาก็แค่รู้ทันว่ามันคิดไม่ต้องไปตามความคิดไม่ต้องไปวิจารณ์ความคิดนะแค่รู้ว่ามันคิดแค่นี้ก็พอละนะแล้วก็กลับมารู้การเคลื่อนไหวใหม่นะไม่ปฏิเสธความคิดมันจะคิดขึ้นมากี่ครั้งพันทุนก็ปล่อยให้มันคิด แต่หน้าที่เราคือรู้ทันนะแต่ถ้าจิตเราวางไม่ดีนะนักปฏิบัติธรรมเบื้องต้นพอเรามันคิดเวลามันหลงก็จะไม่ชอบนะอยากจะให้มันรู้อย่างเดียวอยากให้มันสงบอยากจะให้มันไม่คิดนะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติของจิตที่ยังมีกิเลสจะมีเยื่อใยของตันหาอยู่มันก็ต้องมีความหลงต้องมีความคิดเป็นธรรมดานะแต่หน้าที่ของเราตอนนี้คือ ทำได้เพียงแค่รู้เท่าทันมันนะแค่รู้เท่าทันมันนะไม่ไปปรุงไปกับมันแต่คนที่ไม่ได้ฝึกหรือว่าฝึกแล้วไม่รู้เท่าทันนะความคิดความหลงเกิดขึ้นก็จะไปคิดต่อจะไปปรุงต่อก็จะไปหลงต่อนะนนที่เราแค่รู้ทันมันก็พอละนะไม่ไปปรุงกับมันนะพอแค่มันคิดไม่ต้องไปต่อกับมันแค่นี้พอละเนี่ยเราก็ทาแบบนี้ไปเรื่อยทย่างนี้ไปเรื่อย จิตใจก็จะเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตใจก็จะรู้สึกตัวอยู่สม่ำเสมอนะรู้สึกที่กายบ้างรู้สึกที่ใจบ้างรู้ตรงนี้แหละก็คือรู้ ร, รูปรู้นามนะเห็นอาการของรูปมาทำงานเห็นอาการของนามหรือว่าเรื่องของจิตใจมันทำงานไม่ใช่มีเราเข้าไปในกายไม่ใช่มีเราเข้าไปในใจไม่ใช่มีเราเข้าไปในรูปหรือในนามนั้นๆนะมีแค่เพียงผู้รู้ ที่ดูอาการที่เกิดขึ้นกับกายมีเพยียงผู้รู้ที่ดูอาการที่เกิดขึ้นกับจิตนะไม่มีเราก็าปนเป็นไปอยู่กับกายกับจิตนั้นเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ตรงนี้นะบางทีเผลอเข้าไปปรุงเข้าไปแต่งเข้าไปเป็นบ้างก็ออกมาใหม่ออกมาบ่อยๆออกมาบ่อยๆแล้วก็ทำได้เพียงแค่นี้เนาะแล้วก็เราก็ฝึกหัดตรง น, นี้ไปตรงไหนยังไม่เข้าใจกใ็ค่อยๆศึกษาไปบางทีทำไปอาจจะท้ออาจจะเหนื่อย อาจจะรังเลสสงสัยก็ลองฝึกฝึกฝืนฝืนปล่อยป่อยางๆวงางเนาะบางทีจะให้มาภาวนาวันสองวันเข้าใจนะตลอดเลยก็เป็นไปได้ยากนะเพราะว่าสิ่งตรงนี้มันก็ไม่ถึงกับมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องยากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายเกินไปหรอกนะถ้ามันง่ายเกินไปฟังครั้งสองครั้งปฏิบัติวันสองวันคนก็คงบนรลุธรรมกันเต็มละนะมันก็ไม่ใช่เช่นนั้นนะ เพราะจะติดนิสัยเราติดความทุกข์ติดความหลงมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติละนะจะมาขัดเกา่าจะมาเรียนรู้จะมาฝึกหัดจะมาทําให้มันสว่างไสวสในวันสองวันนะมันก็เป็นไปได้ยากเนาะต้องให้เวลาต้องให้โอากาศมันบ้างนะมันเหมือนกับบ้านของเราที่ปล่อยให้รกมาเป็นเดือนเป็นปีเนาะจะมาทํากามสะอาด แค่ไม่กี่นาทีไม่กี่วันให้มันสะอาดหมดจดจ้องเป็นไปได้ยากนะแต่ในขณะที่ทำากาสะอาดทุกครั้งที่กวาดพื้นทุกครั้งที่ถูพื้นทุกครั้งที่เก็บขยะบ้านที่รกรงรังก็สะอาดขึ้นแล้วจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันจิตใจที่คอยมีสติเป็นผู้ดูผู้เห็นรู้สึกตัวอยู่เสมอ มันก็เกิดความสะอาดเกิดความบริสุทธิ์เกิดความรู้เกิดขึ้นเขาไปแทนที่ทั้งนั้นทุกขณะนะแต่อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยขณะที่ทำความสะอาดฝุ่นละอองมาอาจจะฟุ้งนะหรืออาจจะเหนื่อยหรืออาจจะรู้สึกท้อบ้างนะขอขอให้ทำไปก่อนนะทุกครั้งที่เรากวาดพื้นอ่าที่ที่ไม่กวาดมันผ่านไปแล้วมันก็สะอาดแล้วใช่ทุกครั้งที่เราถูพื้นนะที่ที่ไม่กวาดเออไม่ถูเขาถูผ่าน มันก็สะอาดนะตรงนั้นผ่านไปแล้วทุกครั้งที่รู้สึกตัวนะปัจจุบันที่รู้สึกตัวตรงนั้นก็บริสุทธิ์ตรงนั้นก็ไม่ทุกข์แล้วให้เราเห็นว่าอ้อตรงนี้แหละที่เราทำได้จริงแม้งานข้างหน้าจะมีอีกมากมายขนาดไหนไม่เป็นไรเราทำได้เพียงแค่เฉพาะหน้าตรงนั้นในวินาทีนั้นในขณะนั้นเท่านั้นนะเราก็ทาแค่ตรงนี้ถ้าเรารู้สึกมีความสุขรู้สึกเพลินรู้สึกพอใจ กับหน้าที่ที่เราได้ทำดีที่สุดในตอนนั้นแล้วนัะ่ะตอนนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดความไม่ทุกข์ปรากฏขึ้นที่ต่อหน้าต่อตาไม่ต้องรองให้เป็นพระราหันไม่ต้องรองให้หมดทุกข์โดยโดยสิ้นเชิงเพียงแค่เราสัมผัสความไม่ทุกข์ในปัจจุบันสัมผัสความรู้สึกตัวในปัจจุบันนี่แหะจะทาให้เราอ้อสังเกตได้หรือว่ารู้สึกมั่นใจเลยว่าอ้อความไม่ทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่ไหน มันอยู่ที่ใจที่รู้สึกตัวในปัจจุบันนี้เองนะเมื่อเราสัมผัสกับความไม่ทุกข์ได้ในปัจจุบันมันก็เกิดความมั่นใจว่าเออเราก็สามารถทําความไม่ทุกขนะ์ให้มันต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะให้มันต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะจนทั้งมันต่อเนื่องจนทั้งความทุกข์ไม่มีโอกาสเข้ามาแทรกนะความหลงไม่มีโอกาสเข้ามาแทรกเนะี่ยหรือบางทีมันหลงบางทีมันทุกข์มันก็แทรกได้เพียงแค่ชั่วคราวเมื่อมีสติรู้เท่าทันมันใหม่ มันก็ตื่นมันก็รู้ขึ้นมาใหม่นะใช่ไหมเราก็ทำได้เพียงแค่นี้นะเหมือนกับไฟที่สว่างสวยในตอนนี้เพราะว่าเราเปิดไว้นะมันก็ไล่ความมืดออกไปแต่พอมันดับไฟลงมาความมืดก็เข้ามาแทนที่เป็นธรรมดาความรู้กับความหลงมันก็เปลี่ยนมันก็สลับกันไปแบบนั้นขณาที่ไม่รู้ขณาที่หลงมันก็ไม่รู้ขณะที่รู้มันก็ไม่หลงนะแต่เราจะปล่อยให้ความรู้หรือความหลง ครอบงำจิตใจของเรานะเราก็ต้องฝึกหัดออให้ความรู้มันอยู่นะในใจของเราสินะอย่าให้ความหลงมันมาเรียกว่าสิงสถิตยอยู่ในใจของเราสินะอันนี้ก็พูดแบบภาษานะว่าเป็นใจของเราแต่ก็ให้ฝึกหัดแบบนี้ไปก่อนนะให้ฝึกหัดในการที่จะเปลี่ยนจากหลงให้เป็นรู้นะแล้วก็สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นบ่อ ย, อยเกิดขึ้นต่อเนื่องจนทั้งความหลง เข้ามาแทรกเข้ามาแซงไม่ได้นะแต่บางคราวมันหลงไปบ้างก็ชักหัวมันอย่าไปบอกไปหน้าดำข้าเคียดนะในการปฏิบัติภาวนาต้องรู้จักมีเมตตาให้กับตัวเองด้วยนะรู้จักให้อภัยตัวเองด้วยบางทีมันง่วงบางทีมันคิดบางทีมันหลงก็รู้จักรักตัวเองเนาะนะอย่าไปโทษอย่าไปตำหนินะทุกครั้งที่เราโทษที่เราตาหนิตัวเอง ก็เพิ่มความทุกข์ให้กับจิตใจหนักเข้าไปยิ่งกว่าเก่าแต่ถ้าเรารักตัวเองให้อภัยตัวเองอ่ะมันดมไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรรู้ใหม่ดีกว่านะมันง่วงไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรตื่นขึ้นมาใหม่ดีกว่ามันคิดอีกแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรก็กลับมารู้สึกตัวใหม่ดีกว่านะ่ะถ้าเราวังใจแบบนี้นะการภาวนาก็ไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องที่การให้อภัยเป็นเรื่องที่การตั้งหลักใหม่ เป็นเรื่องที่เกิดจากการรู้ตัวใหม่ๆอยู่เสมอนะมันทุกข์เป็นธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็มาเปลี่ยนจากทุกข์เป็นความไม่ทุกข์สนะิพอเราเห็นตอนนี้อ๋อที่จริงความไม่ทุกข์นี่มันเป็นธรรมดายิ่งกว่าความทุกข์เสอีกนะความทุกข์มันเกิดขึ้นต่อเมื่อหลงเท่านั้นแต่พอไม่หลงแล้วมันก็ไม่ทุกข์แล้วนี่เป็นธรรมดายิ่งกว่าธรรมดาทั้งนั้นนะเป็นความเป็นปกติของจิต จิตมันมีความเป็นปกติอยู่แล้วความหลงเข้ามาแทรกชั่วคราวเท่านั้นนะจิตที่แท้จริงมันสะอาดสว่างสบายเป็นปกติอยู่แล้วความหลงหรือกิเลสมาครอบงํามาเคลือบชั่วคราวเท่านั้นแต่มันไม่ใช่จิตที่แท้จริงนะถ้าเราสังเกตนะนี้อ๋อตรงนี้นี่เองที่เป็นความธรรมดาตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะไม่ใช่อาจมาพูดเองหรอกพระพุทธเจ้าท่านพูดวแบบนี้นะท่านบอกว่าจิต มันประพัดสอนผ่องใสอยู่แล้วนะแต่อุปกรณ์ เ, เขาจอมาชั่วคราวนะมันจอมาชั่วคราวไม่ใช่ของจริงเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นชั่วคราวเท่านั้นเหมือนมีมีพระนะมีพระนิกายเซน ร, รูปหนึ่งนะท่านไปหาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์เซน ร, รูปแรกของประเทศจีนนะท่านอาจารย์ตักมอสหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินนะ อ, นอาจารย์ตักมอ ท่านเป็นพระชาวอินเดียไปปฏิบัติธรรมก็เข้าใจธรรมะแ ล, ะแล้วก็ไปเผยแพร่ธรรมะที่เมืองจี น, นท่านทักม้อก็ไปที่เมืองจีนก็ภาวนาตรงนั้นแจะต้องมีชื่อเสียงมีคนนับถือลูกศิษย์คนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นผู้ที่สแสวงหาทางหลุดพ้นสแสวงหาทางหมดออกจากทุกข์ก็รู้สึกว่าจิตตัวเองมันทุกข์จิตตัวเองมันสกรปรกมากก็ไปหาอาจารย์ทักหมอกถ้าเหมือนนางจงีนนางภายในก็ ก็คลายไปคุกเข่าขอร้องอาจารย์ช่วยผมหน่อยช่วยอะไรช่วยชำระจิตของผมให้สะอาดหน่อยอาจารย์ตกหมอไหนเธอเอาจิตของเธอออกมาสิฉันจะทำให้มันสะอาดให้ลูกศิษย์คนนี้อ้อตะหนักเลยว่าไม่สามารถเอาจิตออกมาให้อาจารย์ชำระได้เพราะแท้ที่จริงแล้วจิตไม่มีตัวตนไม่สามารถเอาออกมาได้ตอนที่คิดจะชำระจิต ก็คือการไปยึดว่าจิตมีตัวมีต น, นเป็นของเราอยากให้มันดีอยากให้มันสะอาดแต่แท้ที่จริงพอกลับมาดูมาเห็นอ้อจิตที่แท้จริงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่สามารถเอาออกมาได้มันเป็นปกติอยู่เช่นนั้นของมันเองนะท่านก็เกิดความสว่างถวัยทางปัญญาขึ้นมาทันทีอ้อเข้าใจเลยว่าจิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเข้าใจถึงสภาวะอนัตตาก็ เ, าเกิดความบรรลุธรรมในตอนนั้นทันทีอันนะ เราฝึกตรงนี้นะให้มันเห็นตรงนี้แหละตอนนี้ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจก็ฟังเลยก่อ น, นฟังให้เป็นแนวทางฟังให้เป็นจุดหมายไว้แต่ตอนที่เรารู้สึกตัวบ่อยภาวนาบ่อยนี่แหละมันจะให้เราเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังตอนนี้มากขึ้นนะมันไม่ใช่เข้าใจเกิดจากการคิดหรอกแต่เกิดจากการเข้าใจที่ได้เห็นสภาวะอาการที่มันแสดงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ให้เห็นอยู่ทุกขณะเห็นไหมมันนั่งแม้ไม่อยากให้มันปวดไม่อยากให้มันเมื่อยมันก็บังคับไม่ได้มันเป็นของมันเองอยากจะรู้สึกตัวตลอดเวลาไม่อยากให้หลงไม่อยากให้คิดไม่อยากให้ทุกข์ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็คิดของมันเองไม่ใช่เราไปคิดแต่มันคิดของมันเองใช่มเราดูนะอ๋อมันเป็นของมันเองเช่นนั้นเองนะแต่พอรู้สึกตัวเมื่อไหร่มันก็เปลี่ยนจากความคิดเป็นความรู้ เปลี่ยนจากความหลงเป็นความรู้สึกตัวมันก็เป็นธรรมชาติที่คู่กันอยู่แบบนี้เนาะเราก็ขอให้จับหลักตรงนี้ให้ได้แล้วก็ภาวนาไปนะไปในคอร์สนี้หรือว่าตลอดไปในชีวิตยิ่งดีนะเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพียงแค่ต้องมานะอยู่ที่วัดต้องมาปฏิบัติในรูปแบบต้องมาถือศีลต้องมาบวชเป็นพระเท่านั้นแต่การปฏิบัติก็คือการแค่ กลับมาเรียนรู้จากกายรู้จากใจที่แท้จริงจะอยู่ที่วัดจะอยู่ที่ไหนจะเป็นใครหน้าที่อะไรไม่สําคัญเพราะเรามีธรรมชาติของกายและของใจเช่นเดียวกันกายหรือใจจะเดินไปที่ไหนจะนอนที่ไหนจะทำอะไรมันก็มีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันก็คอยตามรู้การเคลื่อนไหวของกายทุกขณะทั้งการภาวนาในรูปแบบยกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรม หรือว่าล้างจานหรือว่ากินข้าวหรือว่าทํานั่นทนํานี่ก็มีการเคลื่อนไหวให้ดูที่การเคลื่อนไหวให้ดูที่การหยุดนิ่งหรือว่าการสัมผัสของกายอยู่เสมอแล้วก็ให้รู้เท่าทันเวลาใจมันไหวไหวไปทางตาเห็นคนเดินผ่านมาใจไหวไปกับคนเห็นมา้าใจใจไหวไปกับมา้าได้ยินเสียงเพลงจากข้างนอก ใจไหลไปกับเพลงได้กลิ่นใจไหลไปหากิน่นริ้มรสทานอาหารทาน้ะนะําปณะใจไหลไปกับรสชาติที่อร่อยที่ไม่อร่อยหรือกายสัมผัสกับความหนาวกับความร้อนกับความปวดกับความเมื่อยใจไปทุกบ้างไปสุขบ้างกับเรื่องต่างๆ่างกันั้นหรือบางทาีภายนอกไม่ได้สัมผัสกับกายกับเลยแต่ใจมันคิดนึกปรุงแต่งของมันเอง เอาเรื่องของอดีตมาคิดนึกปรุงแต่งนะเวลาปฏิบัติธรรมนะโอ้เรื่องอดีตนี่มันย้อนกลับมามืนกับย้อนไทยไม์ชินเลยนะเรื่องแล้วแต่จําความได้นะอาตมานี่จําได้เลยตั้งแต่จําความได้นะสองสามขวบมันรู้เรื่องอะไรก่อนเนี่ยแต่ก่อนนี่จําไม่ค่อยได้แต่พอปฏิบัติไปเอา้าวอั น, นี้เนาะความรู้สึกเหตุการณ์ตั้งแต่เล็กๆเอา้ามันผุดขึ้นมาละนะโตขึ้นมาเจอนั่นเจอนี่ ก็เก็บมาคิดมาปรุงมาแต่งนะหรือมันย้อนอดีตแล้วมันเบื่อละก็ไปคิดอนาคตต่อไปวางแผนนะปฏิบัติทำเจวันนี้ออกไปจะไปบอกใครจะไปสอนใครจะเอาไปให้ใครบ้างก็มีมากมายหรือว่าวางแผนชีวิตตั้งแต่ตอนนี้เปถึงตอนถึงตอนแก่ถึงตอนใกล้จะตายจะทำอะไรบ้างมันก็มีอะไรมันเป็นความคิดส่วนใหญ่เป็นความคิดดีๆทั้งนั้น แต่มันทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ดอกเราไม่ให้อยู่กับปัจจุบันดอกให้เราอยู่กับความคิดนะคิดเรื่องอดีตบ้างคิดเรื่องอนาคตบ้างหรือบางทีมันก็คิดที่ปัจจุบันนั่นแหละนะมันปรุงลงไปหน้าที่ของเราคืออะไรแค่รู้พ่ามันคิดไปไม่ต้องไปวิจารณ์ต่อก็อพอละนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันในสิ่งที่ทําแม้มันจะคิดใหม่ก็ไม่เป็นไรก็กลับมารู้ที่ปัจจุบันใหม่ตอนนี้ เราก็ทําตรงนี้เนาะบางทีเพราะว่าบางทีมันอาจจะรู้สึกว่ามันฟืนความอยากความอยากที่จะทคิดนะความอยากที่จะเสพกับความสุขหรือบางคนก็อะไรนะอะไรในความทุกข์นะคิดเรื่องทุกข์โอ้มันอินลงไปในใจนะก็ไม่อยากจะออกจากความทุกข์ความเศร้าก็มีนะมันมีความอะไรมันมียางที่มันเหนียวที่มันติดไว้ก็แกะมันออกมาให้มันได้นะถ้าเราแกะตรงนี้ได้เนาะแกะครั้งต่อไปก็ไม่ยากละนะ เนี่ยต้องรู้จักถอนตัวเองออกจากความหลงให้มันได้เนาะจิตใจให้เป็นแบบนี้นะให้เป็นปกติให้เป็นความบางให้เป็นความบ้างไว้นะไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปถืออะไรว่าไปแบกไปถืออะไรแล้วก็วางใหม่วางที่ไหนก็วางตรงที่ความรู้สึกตัวเนี่ยแหละนะรู้สึกตัวเนี่แหละเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเป็นการรู้ทุกทั้งเป็นการลสมุทยัยคือเหตุของความทุกข์ทั้งเป็นการทําให้ ความไม่ทุกข์ปรากฏนะทั้งไปการจริญหรือว่าสะสมหนทางที่จะออกจากความทุกข์ตรงนี้มันครบองค์ประกอบทั้งสี่นะในกิจของอริยสัจสีทั้งสี่ประการเลยมันเริ่มต้นด้วยความรู้สึกตัวปฏิบัติในท่ามกลางจะเจออารมณ์วิปัสสนูเจอจินตยานเจอริบวิปลาชหรือจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ได้แต่ที่เป็นเรื่องของกายเรื่องของจิตแค่กลับมารู้สึกตัว มันจะกลับเป็นเป็นปกติได้แล้วถึงที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าผู้ที่มีสติเต็มที่นะมีสติเป็นวินัยมีสติเป็นหน้ารอบอันนั้นแหละคือคํากล่าวที่เรียกว่าเป็นพระละหันก็ว่าได้นะพระลรหันคือผู้ที่มีสตินะเป็นหน้ารอบมีสติอยู่เป็นปกตินะมีสติที่มีดูแลจิตไม่ให้ทุกข์อยู่เป็นปกตินี่แหละการรู้สึกตัวเนี่ยเป็นทั้งเบื้องต้นเป็นทั้งท่งกลาง แล้วก็เป็นที่สุดของการภาวนาด้วยเนาะเราหลายคนอาจจะตั้งใจมาภาวนาเพื่อทำที่สุดแห่งกองทุกข์นั่นก็ดีนะหรือบางคนแค่ตั้งใจจะภาวนาเพื่อให้รู้จักตัวเองนั่นก็ดีหรือบางคนตั้งใจภาวนาเพื่อให้พบกับความสุขความไม่ทุกข์ในปัจจุบันนั่นก็ดีนะให้เรามีเจตนาตรงไหนก็ได้แต่แต่ขอให้เราพยายามภาวนาดูเนาะภาวนาดูกายดูใจอยู่บ่อยๆนะถ้าเราภาวนา ดูกายตนะัวใจบ่อยๆนะเราก็จะพบความจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเมื่อพบความจริงที่เกิดขึ้นกับกา ย, า ก, ก, ก, ายา ก, กับใจก็เข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเมื่อเข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมันก็ไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจละเพราะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วตัวตนที่แท้จริงไม่มีมันมีแต่เรื่องของกายเรื่องของใจเรื่องของธาตุสี่ขันห้าเท่านั้นเนาะก็ฝากพวกเรานะในเย็นวันนี้แล้วก็เอาไว้ ไม่ต้องไปคิดพิจารณาดอกฟังเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ช่างหัวมันไปปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็ความจริงก็จะปรากฏให้เร า, าเข้าใจมากขึ้นไปเองเนาะก็ขอให้พุทวกเราทุกคนได้เจริญในศีลในธรรมนะก่าบพระพร้อมกัน